รพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานก่อนปรินิพานเน่ยท่านบอกพระนนไว้ว่าธรรมวินัยจะเป็นาศาสดาแทนท่านเราั้นเวลาที่พวกเราฟังธรรมนีคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดดูสิถ้าเราไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วเราคว้ากล้องมาถ่ายรูปเนี่ยนะมันจะน่าเกลียดขนาดไหนนะเราอย่าทําอะไรน่าเกลียดฟังด้วยความสงบด้วยความสํารวมไม่ต้องสงบจนขลึมจนเครียดนะ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 เทศเสร็จแล้วหลกเขาก็มีจีวรมีอะไรถวายหลวงพ่าก็ถามว่ามีคนไข้เป็นพระบ้างไหมนึกว่าไม่มีนะถ้ามีก็ฝากเอาไปถวายด้วยโอ้ยเขาบอกพระเยอะเลยทําไมพระเป็นบ้าเยอะเนี่ยภาวนาผิดงั้นถ้าภาวนาผิดนะอย่าภาวนาซะดีกว่าทําไงจะภาวนาให้ผิดรู้หลักของการปฏิบัติให้มันแม่นๆมซะก่อนการภาวนาจะง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย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 เรานึกถึงสมัยผมงอกเส้นแรกขึ้นรู้สึกไงสดชื่นไหมโอ้ยผมงอกแล้วล mm hmm. ุ่มใจเลยนะรีบส่องกระจกใหญ่หาทางถอนทีแรกก็ถอนไหวตอนไปถอนไม่ไหวนะต้องยอมเมาทําไมแก่แล้วเราทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงของร่างกายจิตมันไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่เวลาเราเจ็บไข้ไม่สบายเราก็กรุ่มใจ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 อย่างผู้ชายมันจะโง่นะมันจะคิดว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเหมือนเดิมตลอดไม่เหมือนเดิมร่างกายก็เปลี่ยนสุดโทมลงอย่างรวดเร็วนิสัยใจคอนะก็มักจะแย่ลงแย่ลงนะขี่บนขึ้นเรื่อยๆทําไมขี้บนเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงรับภาระมากนอกบ้านก็ต้องทํางานนะเข้าไปในบ้านสามีก็ไม่ช่วยทายํางานยังทําสกปรปกอีกเลยนะนะลูกเต้าอะไรก็เอาแต่เล่นสนใจแต่เล่นเกมอนะไรเงี้ยก็เครียดสิเครียดก็ต้องบนนะ่น่ะ ระบายความเครียดด้วยการบ่ น, บนสาวๆเขาบ่นน้อยนะพอแก่ก็บนก่นเะก่งความชํานาญมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผู้ชายไม่ไปคิดว่าผู้หญิงจะเหมือนเดิมผู้หญิงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะส่วนผู้หญิงก็โง่อย่างนะคิดว่าผู้ชายจะเปลี่ยนได้อย่างบางทีผู้ชายมาจีบนะก็เห็นไอ้นี่เจ้าชู้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งกับเรานะจะอบรมมันให้ดีและให้หายเจ้าชู้นี่เป็นความโง่นะไม่หายหรอกนะนี่ใสยคนนะ้ำหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยน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 นั่งเห็นอะไรต่ออะไรสารพัดเลยไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเรียกว่าไม่มีสาระเลยไปสนใจของไม่มีสาระนะทิ้งสิ่งที่มีสาระคือไม่เรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าไม่รู้กายรู้ใจของตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงเพราะฉั้นพวกเราถ้าจะสนใจการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งสมาธินานๆต้องไปเดินจงกมรมวันละหลายๆชั่วโมงนะมันอยู่ที่ว่านั่งอยู่ะมีความรู้สึกตัวอยู่ไหม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 ปฏิบัติธรรมนั้นจะรู้สึกว่าแปลกๆแล้วม่จะชอบลองดีนะอย่างพวกเราบางคนถ้าใครเข้าวัดเข้าอะไรนะเพื่อนจะชอบแซวเวลาเราโกรวอนะ่ะเข้าวัดมาตั้งนานแล้วมาเห็นดีขึ้นเลยชอบว่าอย่างนี้นะเะฉะนั้นหลวงพ่อเวลาภาวนาตอนเป็นโยมยังไม่ให้คนรู้เลยกินข้าวเสร็จแล้วทําไงจะเดินจงกรมเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานนะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะบางวันเดินไปวัดโสมนัสบางวันเดินไปวัดเบญจ่าเดินไปนี่แหละแล้วคนถามว่าไปทำอะไรไปไหว้พระ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 รู้จักใจลอยใช่ไหมรู้จักไหม <S <S เด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคาว่าใจลอยนะแต่พวกเราหน้าตาไม่เด็กอะ่ะน่าจะรู้จักหลวงพ่อเวยถามเด็กนะ <S <S ว่าใจลอยรู้จักไหมไม่รู้จักระเมอเมอรู้จักไหมเออรู้จักนะเ่อเมอใจลอยถ้าคนหน้าตาขนาดนี้ก็ยังรู้จักคาว่าใจลอยใจป็นหนีไป ม, มันลืมตัวเองไปเนีย่ยต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวเรื่อย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 เป็น่รคหัวถูนะซึมเศร้าแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกเศร้าๆเนะี่ยครอบงําใจนะปล่อยเอาไว้ด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าอยากเป็นนางเอกนะสวมวิญญาณ น, นางเอกถามจริงๆใครเคยทาใจให้เศร้าๆบ้างมันจะมีความรู้สึกแบบนางเอกนะบิ้วความรู้สึกชีวิตล้นท้อย่างเงี้ยนะบิ้วขึ้นมาทานั้นเลยแล้วจะรักษามันไว้ด้วยนะจะอยู่นา น, านๆชอบเผื่อว่าจะมีใครเขาเห็นใจเนะี่ย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 พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญว่าให้โจงยากจนไว้ได้ก่อนนะท่านบอกให้ความสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหมจะมีทรัพย์ต้องทมาหากินเก่งความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ทรัพยนะ์ความสุขจากการอะไรอ่ะมีอยู่สี่อย่างนะไม่เป็นหนี้นะเนี่ยกว่าเลี้ยงชีวิตพอดีพอดีเนะนี่ยเรามีความสุขของเราได้นะงั้นไม่ใช่ว่าต้องลําบากยากจนนะนับปฏิบัติ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 หลับหูหลับตานั่งเพ่งอย่างเดียวเลยครับแรกๆ ก, ก็สงบสุขแล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกแต่หลังๆมาก็จะปวดหัวเพ่งจนปวดหัวครับสมน้ําหน้า <laughs> แล้วหลังๆมาก็มาประมาณปีที่สามครับมาฟังหลวงพ่ อ, อแต่ฟังแรกๆก็ไม่รู้เรื่องนะว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรผมฟังก็งงจะเพ่งอย่างเดียวครับจะให้มันสงบสุขอย่างนั้นเหมือนเดิมเออครับแต่ก็หลังๆก็ลองทําตามที่หลวงพ่อบอกครับมผมก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อย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 ให้รู้ทันว่าหลงไปแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยอ้าว่ามาเห็นใจที่อยากพูดไหมเห็นค่ะเห็นแล้วดูก่อนยังอยากพูดอยู่อยากพูดอยู่ค่ะให้รู้ทันใจที่อยากมันดันขึ้นกลางหน้าอกเนี้ยนะดูไปก่อนอ่าพูดได้หายอยากแล้วขอบพระคุณค่ะโยมไปปฏิบัติหลวงพ่อให้การบ้านมาสิบเดือนที่แล้วให้โยมเห็นเหมือนคนอื่นนะคะ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 เราอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้มัวแต่นอนทำไมจะต้องรีบนอนอีกหน่อยก็ต้องนอนนานเลยนะชีวิตเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นมันจะขยันพอนานน ะ, ะว่ามามันน่าสนใจค่ะหลวงพ่อจีตออกนอกมองเห็นไหมจีตเป็นเจ้าออกไปนี่แหละค่ะเจามาลองลองหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกตัวกลับเข้ามาเออเข้ามาแนละ้มแต่ใจไม่เหมือนกัน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 หนูเข้าใจว่าหนูโมโหตกลงมันลำพึงลำพันใช่ไหมคะผิดตัวมันชอบลำพึงลำพันคำครวนนะคะเออไม่กล้าครวนถูกให้ดูเข้าไปตรงๆเลยมันเป็นมาบ่อยช่วงนี้นาน้วยเพราเคยชินอะไรนะมันเป็นบ่อยและช่วงนี้เยอะดูเข้าไปตรงๆเลยอย่าไปยอมมันสิเรานะพอ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 อันหนูถางนิค้อเนึ่ค่ะคือหนูเนี่ยจะไม่ได้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ตายตัวแต่หนูก็จะพยายามเหมือนหนูเดินไปที่ไหนหนูนึกได้หนูก็ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ไหมคะพอไหมคะเดินซิเดินให้ดูได้ไห ม, ไมดูเลยคะออกมาเดินเนี่ยดูซิเนี้ยนะทําได้จริงเปล่าอานะ้าวแล้วทําไมตอนนี้ไม่รู้สึกล่ะ อาละพอนั่งนะรู้สึกไปอย่างนั้นแหละเ อ, อรู้สึกได้กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างครั้งที่แล้วหลวงพ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสังเกตแมมตอนที่เขาลุกขึ้นขยับไปขยับมาใจเราหนีไปหมดเลยรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาแล้วจะโผล่ออกมาเดินยังเนี่ยใจเราจะไปอยู่ที่เขาให้รู้ทันใจที่ไหลไปอย่างเนี้ยเอาว่ามา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 ไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะความสุขมันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความสงบเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้เป็นของไม่คงที่เป็นของบังคับไม่ได้นะะฝึกเพื่อให้เห็นความจริงได้เห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยจิตปล่อยจิตก็ไม่ทุกข์หรอกกราบขอพุ่งพ่อค่ะค่ะขอกาญนิมัสการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านก็ก็